อธิบายว่าลำดับนั้นมานบน้อยผู้มีผมห้าแยมก็ได้กราบทูลพระราชาว่าพระองค์จงทรงพระราชทานทรัพย์ร้อยหนึ่งแก่ข้าพระองค์ผู้ได้ยินข่าวนั้นมาแล้วกราบทูลข้าพระองค์พบโสนกะพระสหายเคยเล่นมาด้วยกันแล้วกราบทูลแด่พระองค์ขอพระองค์จงพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแก่ข้าพระองค์ผู้พบเห็นโสนกะ ผู้บอกข่าวได้ร้อยหนึ่งผู้พบเห็นได้พันหนึงห่งนพระองค์ต้องจ่ายหนึ่พกับ100 จ, จ่ายมาเลยพันหนึงรว่างั้นคืออธิบายว่าค่าแต่มหาราชเจา้าพระองค์รับสั่งว่าเราจะให้ทรัพย์แก่ผู้ที่ได้ยินข่าวนั้นแล้วมาบอกแก่เราขอพระองค์จงพระราชทานทรัพย์นั้นแก่ข้าพระองค์ทีเดียวอันหนึ่งพระองค์ตรัสว่าจะให้ทรับพันหนึ่งแก่ผู้ที่พบเห็นแล้วกลับมาบอกขอพระองค์จงพระราชทานทรัพย์แม้นั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยจะเอาทั้ง หนึ่งร้อยเลยนะ่าจะไม่เอาแค่พันเดียวอะ่ะหรือไม่เอาแค่ร้อยเดียวแนละ้วเอาหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าได้ข่าวก็ได้ข่าวพบมาก็พบนั้นจะต้องไลยหมดข่าพระองค์พบเห็นสหายที่รักของพระองค์แล้วก็ได้กราบทูลพระองค์ว่าบัตรนี้ข่าพระองค์ได้พบเห็นโสนกะผู้นี้แล้วโซนกะพระราชาฟังแล้วก็ถามว่าโสนกะกุมานนั้นอยู่ในชนบทแวนแค้นหรือนิคมไหน ท่านได้พบเห็นโสนกกากูมานั้นอยู่ที่ไหนเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราเด็กชายคนนั้นก็ตอบว่าขอเดชะต้นรังใหญ่หลายต้นมีลำต้นตรงสีเขียวเหมือนเมฆเป็นที่ชอบใจน่ารื่นรมอันอาศัยกันและกันตั้งอยู่ณภาคพื้นพระราชยุทธญานในแวดแคลนของพระองค์นั่นเองพระโสนกกะเมื่อสัตว์โลกมีความยึดมั่น เป็นผู้ไม่ยึดมั่นเมื่อสัตว์โลกถูกไฟเผาก็เป็นผู้ดับแล้วเพ่งชาญอยู่ที่โคนแห่งต้นรังเหล่านั้นแม่เด็กก็ตอบเก่งนะแสดงว่าฟังมาจากพระเป็นอย่างดีเลยนะเข <c oughs> บอกว่าเมื่อ <c oughs> สัตว์โลกมีความยึดมั่นด้วยอุปาทานท่านไม่ยึดมั่นเมื่อสัตว์โลกยึดว่าเที่ยงสุกงามยั่งยืนอัตตาพระโสนะปเจกขพุทธเจ้ า, าไม่ได้ยึดอย่างนั้นเลย เมื่อสัตว์โลกถูกไฟส1บอกองเผาเนี่ยนะไฟคือชาติชารามรณะเป็นต้นเผาอยู่ท่านดับไฟเหล่านี้เสร็จแล้วเพ่งฌานคือเพ่งเพ่งทั้งลัคนูปนิชฌานอารัมมานูปนิชฌานอยู่ที่โคนต้นรังเหล่านั้นครั้งนั้นแหลพระราชาก็ตรัสรับสั่งให้ทําทางให้เรียบไอราบเรียบก็เสด็จไปยังที่อยู่ของพระโสนกะพร้อมด้วยจตุรงคเสนาเสด็จประาพาสไปในไทวันเนี่ยนะก็เสด็จไปถึงภูมิภาคแห่งอุทยาน ได้ทอดพระเนตรเห็นพระโสนกะผู้นั่งอยู่เมื่อสัตว์โลกถูกไฟเผาก็เป็นผู้ดับไฟแล้วเนี่ยนะนั่งเจริญสมถะวิปัสนาอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วพอไปถึงพระราชาก็นมัสการพระโสนกะแล้วก็ประทับนั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระองค์เนี่ยใจจริงเนี่ยเชื่อเลยว่านี่มันคนกัมพระชัด เนี่ยนะเห็นพระประเจกคับพุทธเจ้าผมก็สั้นใช่ไหมผ้าก็ใช้ผ้าแบบผ้าอะไรผ้าย้อมน้ําฝาดเก่าๆอ่างนี้นะโอ้ยนี่มันคนกาําพม้าเนี่ยคนอนาถาคนตกทุกข์ได้ยากเพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยมีใจรื่นรมอยู่กับเรื่องกิเลสอย่างเดียวนะคือพระองค์เนี่ยกำลังเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ฟุ้งเฟอ้อเห่อเหิมอยู่นั่นน่ะนะไปะเห็นเพื่อนเ ก, ก่าตกทุกข์ได้ยากโอ้ยนี่มันคนกาําพม้าก็เลยบอกว่าภิกษุนี้เป็นคนกําพา้าหเนีนะโอ้ยกํัม้า เพื่อนเรานี่เป็นกัมพาร์ขนาดนี้เลยนะสีสาก็โลนครองผ้าสังคาติไม่มีพ่อไม่มีแม่นั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้กัมพาจริงแล้ไม่มีพ่อมีแม่ผ้ากับผ้าย้อมน้าฝาดศีรษาก็โล่นในต่างหากเนี่ยนะพระโสนะพระโสนกะปัจเจกได้ฟังพระดํารัสนั้นแล้วก็ได้ทูลว่าดูก่อนมหาบาพิษบุคคลผู้ถูกต้องธรรมะคืออริยสัจหรือพระนิพพานด้วยนามกาย คือด้วยปัญญาใครที่เห็นพระนิพพานด้วยปัญญาเนี่ยนะไม่ชื่อว่าเป็นคนกัมพรอะอะไรคนกัมพระเป็นยังไงบอกผู้ใดในโลกนี้นำเสียซึ่งประพฤติตามอาธรรมเขาบอกว่าเป็นคนที่นำเสียซึ่งธรรมแปลว่าไม่สนใจในเรื่องธรรมะเลยประพฤติแต่อธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนกัมพระเป็นคนลามกุกเป็นคนบาปนะมีบา ป, ประกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอถวายพระพรอธิบายว่า บุคคลผู้ถูกต้องอริยมรรคนั้นนะนะด้วยกายไม่ชื่อว่าเป็นคนกัมพระหรอกคนที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะอรหัตมรรคไม่เป็นคนกัมพราหรอกอ น, นะส่วนคนที่เป็นคนบาปเนี่ยนะปาโปปาปะ ป, ปรายโ น, โนเนี่ยคนบาปแล้วก็มีบาปนำหน้าไปอีกคือคนที่กระทำแต่ความชั่วเป็นผู้มีบา ป, ปรกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเป็นที่พึ่งแก่ชนเหล่าอื่นผู้กำลังทำบาปตัวเองก็ทำบาปเป็นอุทาหรณ์เป็นเยี่ยงอย่างให้แก่ คนบาปต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้แหละเป็นคนกัมพร้าเพราะอะไรเพราะชาติต่อตอไปกัมพร้าแน่พระโสนกะติเตียนพระโพธิสัตว์ด้วยถ้อยคําอย่างนี้จริงๆก็ว่าพระโพธิสัตว์นั่นแหละเนี่ยนะคนที่ไม่สนใจธรรมะประพฤติแตอ่อธรรมคนนั่นแหละเป็นคนกัมพร้าเป็นคนบาปแล้วก็มีบาปนําหน้าไปอีกมาพระโพธิสัตว์ก็ทําเป็นเหมือนไม่รู้เนี่ยนะไม่เข้าใจนะทำเป็นฟังไม่เข้าใจฟังกัน ว่าพระโสนกะติเตียนพระองค์อยู่นะว่าตัวเองกำลังถูกเน็บนะเพอไปถึงก็ไปเน็บพระเลยใช่ไหมอุ้ยใครมันคนกําพราหัวโลนนั่งอยู่นี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่โอ้ยคนบาปนี่แหละเชื่อว่าเป็นคนกําพระทําเป็นไม่ได้ยินก็เลยบอกนามบอกโคตรพระองค์เลยนะประกาศตัวเองซะหน่อยบอกนะประกาศเปิดเผยตัวเองว่ามหาชนรู้จักข้าพเจ้ารู้จักชื่อข้าพเจ้าว่าพระเจ้าอรินธรรมะและรู้จักข้าพเจ้าว่าเป็นพระเจ้ากาสีดูก่อนท่านพระโสนกะ การอยู่เป็นสุขย่อมมีแก่ท่านผู้มีอยู่ในที่นี้หรือข้าพเจ้านี่ชื่อว่าอรินธรรมะนะเป็นใครใคก็เรียกว่าพระเจ้าพ ร, พระเจ้าคือพระราชานะพระเจ้ากาสีเป็นใหญ่ทั้งหมดในแว่นแควนนี้ทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นนะประกาศตัวเองเบ็ดเสร็จเสร็จแล้วก็บอกว่าให้รู้จักใครเป็นใครอ่ะนะ<ม>บอกสเสแบบก็บอกว่าเออท่านอยู่สบายบ้างไหมแบบนั้นความไม่สบายสักหน่อยหนึ่งไม่มีแก่ข้าพเจ้าก่อน แต่ว่าความอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยมีแก่พระคุณเจ้าผู้มาถึงในที่นี้อยู่ในอุทยานสบายเลหรือเหมือนกันคือก็ตัวเองก็เป็นใหญ่นะเป็นพระราชานี่อยู่เป็นสุขแล้วท่านอยู่สบายไหมมาอยู่ที่นั่งโคลนมาอยู่อย่างนี้พระประเจกกับพระพุทธเจ้าก็ตอบพระราชาว่าขอถวายพระพรเชื่อว่าความไม่สําราญไม่มีแก่อัตมาภาพผู้อยู่ในอุทยานนี้เท่านั้นก็หาม่ได้ แม้อัตมาภาพจะอยู่ในที่อื่นๆก็ยังไม่มีเลยคือข้าพเจ้าอัตมาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอ่ะนะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสําราญอยู่ที่ไหนที่ไม่สําราญไม่มีเพราะไม่มีทุกทางใจให้เดือดร้อนนะผ้าหันไม่มีทุกใจสักหน่อยเดียวอยู่ที่ไหนไมันจะเดือดร้อนบ้างก็เลยสรรเสริญคุณของส ม, มณะให้พระราชาฟังว่าข้อที่หนึ่งความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนทุกเมื่อ คือซั์และข้าวเปลือกย่อมไม่เข้าไปในช้างในหม้อและกระเช้าของภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเป็นผู้สแสวงหาอาหารอันปรุงเสร็จแล้วมีวัดอันงามเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปด้วยบินทบาต น, นะทําไมจะไม่มีความสุขใช่ไหมก็ไม่ต้องสแสวงหาแบบคารวาะวิสัยอ่ะนะก็สแสวงหาอาหารที่เขาปรุงเสร็จแล้วก็มือเดียวก็อยู่ได้แล้วงั้นข้อที่สองความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือน คือภิกษุบริโภคบิณฑบาต ท, ที่ไม่มีโทษและกิเลสอะไรๆย่อมไม่ประทุสร้ายข้อที่สความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนคือภิกษุพึงบริโภคบิณฑบาตอันดับแล้วและกิเลสอะไรย่อมไม่ประทุสร้ายข้อที่สความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้มไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนคือผู้หลุดพ้นแล้วเที่ยวไปในแว่นแคว้นไม่มีความข้อง ข้อที่ห้าความเจริ ญ, ญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนคือเมื่อไฟไหม้พระนครอยู่อะไรอะไรสักหน่อยหนึ่งของภิกษุนั้นย่อมไม่ไหม้ไฟไหม้บ้านไหม้เมืองข่าดภิกษุก็ไม่มีของอะไรไปไหม้ใช่ไหมข้อที่หความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนคือเมื่อโจรปล้นแววนแคว้นอะไรสักหน่อยหนึ่งของภิกษุนั้นก็ไม่หาย ข้อที่เจบอกว่าความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนผู้มีวัดอันงามถือบาตรและจีวรไปสู่หนทางที่พวกโจรรักษาหรือไปสู่หนทางที่มีอันตรายอื่นๆย่อมไปได้โดยสวัสดีนะที่ไหนมีโจรชุมท่านก็ไม่กลัวไม่รู้จะจะมาปล้นอาวบบาทไปทําไมอย่างนั้นข้อที่แปดความเจริญย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือนภิกษุจะหลีกไปยังที่ใดก็ไปแบบไม่ห่วงใยใน เทส น, น, นั้นเนี่ยนะอ้สบายหมดเลยว่ากันสรวัตสั่งเสริมความเป็นพิสูจ์ที่จริงก็เนี่ยท่านเทศแล้วนะท่านเทศว่าผู้ที่อยู่ด้วยความสันโดษไม่มีปัจจัยแบบ ท, ทั่วไปเนี่ยนะพระพุทธปฏิบัติตามธรรมอยู่พัลสุขเสมอจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขอย่างนี้เลยพระโสนกะปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าแสดงความเจริญแห่งสมณะแปดอย่างด้วยประการชนีแต่ที่จริงแล้วท่านสามารถจะแสดงความเจริญแห่งสมณะให้ยิ่งกว่านั้นได้ไม่ตั้งร้อยตั้งพันใน จนหาประมาณไม่ได้ท่านบญญาปปรรยายสรรพคุณความอยู่เป็นสุขได้หมดอะแต่ฝ่ายพระราชาละเลยถ้อยคำของพระเถระนั้นเพราะใจยินดีในกามอย่างเดียวก็เลยตรัสว่าข้าพเจ้าไม่มีความต้องการความเจริญแห่งส ม, มณะเพราะข้าพเจ้ามีใจน้อมไปในกามบอกว่าข้าแต่ภิกษุท่านสรรเสริญแต่ความเจริญเป็นอันมากของภิกษุเหล่านั้นบอกตรงๆนะข้าพเจ้าที่ยังกาหนัดในกามทั้งหลายจะทาอย่างไร การทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพเป็นที่รักของข้าพเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจากักข้าพเจ้าจักได้โลกทั้งสองได้อย่างไรคําถามง่ายๆว่า น, นะคือคือข้าพเจ้าไม่อยากเป็นแบบท่านหรอกนะเพราะโพธิสัตว์นั่นจริงอุปนิสัยสั่งสมมาแสนกลับนั้นเอ้ยมาเสียสงไข่แสนกลับนัท่านอย่างพูดอย่างนี้เลยท่านแล้วบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะจัเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยการอันเป็นของมนุษย์กามอันเป็นของทิพเนี่ยนะ มนุษย์กับมนุษย์สมบัติต่อไปก็สวรรค์สมบัติเนี่ยข้าพเจ้าจะสมบูรณ์ด้วยความสุขสองอย่างนี้ได้อย่างไรพระปพเจก็สอนแต่เรื่องบวชอย่างเดียวอะนะก็ะคือก็เรื่องเนื่องจากว่ารู้อุปนิสัยก็เลยบอกว่านรชนผู้กำหนัดในกามยินดีในกามหมกมุ่นอยู่ในกามเมื่อจิตใจหมกมุ่นอยู่ในกามทำบุญไหมโดยมากทำบาปประกรรมแล้วย่อมเข้าถึงทุกคตินะนะโดยมากเมื่อมีใจหมกมุ่นมีใจติดข้องใช่ไหม กรมทั้งหลายเนี่ยสแสวงหากรรมโดยมากก็สแสวงหาด้วยทุจริตรักษาก็รักษาด้วยทุจริศเป็นต้นเมื่อทําบาปแล้วนั้นจะไปไหนคะเหมนกันก็นไปสู่อาบายทุกติวินิบาตซี่ส่วนชนเหล่าใดละกรมทั้งหลายออกได้แล้วเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนย่อมบรรลุถึงความที่จิตเป็นเอกะขะตาอ่านะก็บรรลุเอกคตาอุปจาระอั ป, ปนามัชผลนั่นแหละนรชนเหล่านั้นไม่ไปสู่ทุกตินะไม่ไปอาบายแล้วเหมือนกัน ดูก่อนพระเจ้าอารินธรรมะอาตมาภาพจักแสดงอุปมาถวายมหาบาพิษนะนะจะเดี๋ยวจะเล่าอุปมาให้ฟังขอมหาบาพิจงสดับข้ออุปมานั้นบัณฑเด็ดบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้เนื้อความได้ด้วยข้ออุปมาเล่ามาว่ามีอีกาอยู่ตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญาน้อยไม่มีความคิดความอ่านมันก็เห็นซากช้างเนี่ยนะซากศพช้างลอยอยู่ที่ห่วงน้าใหญ่ใกล้แม่น้ำคงคา อีกานั้นก็เลยคิดว่าเรานี้ได้ยานแล้วนาะโอสบายได้ราชรดมาเกยแล้วนยะนะได้ยานอย่างดีเลยเนะีเป็นช้างตัวใหญ่เบิ่มเนี่ยนะและซากศพช้างนี้ก็จะเป็นอาหารจํานวนไม่น้อยโอยานก็ใหญ่อาหารเต็มไปหมดเลยใจของกาตัวนั้นก็ยินดีแล้วแต่ในซากศพช้างตัวนั้นแหละตลอดทั้งคืนตลอดทัด้งวันเพลิดเพลินหมกมุ่นนะนียานก็ใหญ่อาหารก็เต็มพุงไปหมดเลยนะ จะจิกไส้ก็ได้จะจิกตับก็ได้จะจิกตรงไหนก็ได้เหลือเฟือหมดกามตัวนิดเดียวยังไงตับช้างใหญ่ขนาดไหนคิดดูกินตรงไหนก็สบายไปหมดเมื่อกาจิกกินเนื้อช้างเสร็จแล้วก็ดื่มน้ํามีรสเหมาะส่วน น, น, นะนะก็กินเนื้อไปดื่มน้ําไปโอ้สบายมากเสร็จแล้วก็ไปเห็นต้นไม้อันใหญ่ในป่าก็ไม่ยอมบินจากซากช้าง นะที่ที่มีแม่น้ำคงคามีปกติไหลไปสู่ส ม, มุทรปกติแม่น้ำคงคาเนี่ยนะไหลไปไหนก็ไปทะเลก็เลยพัด อ, อี ก, กาตัวนั้นไปด้วยนะพัดไปไหนไปทะเลใช่ไหมอีกาตัวประมาทยินดีอยู่แต่ในซากศพช้างก็ลอยไปสู่มหาส ม, มุทรด้วยซึ่งเป็นที่ไปไม่ได้แห่งนกทั้งหลายนกตัวน้อยจะไิวินข้ามทะเลได้ยังไงเพราะฉะนั้น กาานั้นหมดอาหารแล้วก็ตกลงไปในน้ําไปข้างหลังไปข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาก็ไม่ได้นะไปก็ไม่ถึงเกาะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะกินซากช้างมานาใช่ไหมอ้วนก็อ้วนบึกบินก็บินไม่ไหวแล้วนะเพราะไม่ได้ฝึกบินเท่าไหร่ก็อยู่แต่กินอยู่นั่นแหละแล้วก็กลางทะเลด้วยทําไงก็กําลังสิ้นกําลังแล้วก็จมอยู่ท่ามกลางทะเลอันเป็นที่ไปไม่ได้แห่งนกทั้งหลาย ฝูงปลาฝูงจระเข้มังกรและปลาร้ายที่เกิดในมหาสมุทรก็ข่มเหงรุมกินกาตัวนั้นตัวมีปีกอันใช้การไม่ได้ดิ้นรนอยู่ชันใดที่เล่ามาทั้งหมดก็บอกดูก่อนมหาบาพีศพระองค์ก็ดีนะตไปพระองค์นี่แหละกาละชนเราอื่นผู้ยังบริโภคแบบเดียวกันก็ดีถ้ายังกำหนัดอยู่ในกามถ้าไม่ยอมละทิ้งกาล นักปราทั้งหลายรู้ว่าชนเหล่านั้นเป็นผู้อยู่ด้วยผู้อยู่ด้วยปัญญาเสมอเท่ากาบักฉลาดเท่าอีกาตัวนั้นแหละฉะนั้นเหมือนกันแหละพระองค์เนี่ยฉลาดเท่ากาแต่ท่านก็กล้าเตือนนะเตือนแบบเตือนแบบพระประเจกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เตือนเสร็จก็เหาะหนีเนี่ยไม่ น, น่าหนักใจใช่ไหมก็เลยบอกตรงๆว่าพระองค์นี่ฉลาดเท่ากานะเพราะงั้นดูก่อนมหาบาพิษข้ออุปมาอุปมาข้อนี้อัตมาภาพสแสดงอัฏฐอย่างชัดแจ้ง คงฟังเข้าใจนะไม่รู้จักที่บายอะไรอีกว่างั้นนะพูดแค่นี้ก็รู้เรื่องกันแล้วว่างั้นพระองค์จะทําตามหรือไม่ก็จะปรากฏด้วยเหตุนั้นทําตามหรือไม่ทําตามก็จะรู้เองกันแล้วกันดูว่าถ้าปฏิบัติทําตัวเหมือนอีกาก็จมลงทะเลไปกันแล้วกันแต่ถ้าหากว่าไม่ทําตัวเหมือนอีกาก็จะพ้นทุกข์ว่างั้นทํายังไงก็ทําตามใจ